ไปเบิ่งสิ่งซึ่งผู้เพื่อนลืมไม่ลงขวบจนเราเป็นหนุ่มมีลูกมีหลานจริงมึจริงมั้ยครับเดี๋ยว เรื่องบางทีทุกข์หน่ะตอนสอบ entrance ก็ทุกข์เรียนจบ คนที่เลือกค่านิยมหรือเกณฑ์อะไรทางสังคมแล้ว 3-40 ปีนะเอ่อประเทศ คือโซเวียตได้ส่งจรวดที่ชื่อสปุตนิกขึ้นไปได้ 60 เลขา 60 วิชา 60 ประเทศเรา แล้วก็ลดวิชาวาดเขียนเหลือ 20 คะแนนการคีมือ 15 คะแนนภาษา 15 คะแนนไวยากรณ์ 15 คะแนนลดลดลดลดแล้วเด็กที่เก่งไวยากรณ์ไทยเก่งว่าเขียนเก่งการคีมือนี่เป็น เด็กเก่งคณิตศาสตร์ก็สอบเข้าได้เป็นวิศวกรเป็นอะไรต่อเด 15 คะแนนเลข ซึ่งเรียงความ 20 คะแนนย่อความ 10 คะแนนซึ่งวิชาเรียงความมันวิชาที่สําคัญที่สุดย่อความสําคัญที่ ซึ่งเป็นวิชาที่สําคัญๆแต่ว่าใครเก่งวิชา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ออกสั่งสอนกันให้เป็นระบบได้ในโรงเรียนหรือในว่าในบรรดา จิตแพทย์ส่วนใหญ่เป็นโรคจิตเค้าบอกผมจริงนะผมไม่ได้ รักษาเพื่อนที่เป็นบ้านะเดี๋ยวผมก็บ้าตามเลยเพราะแล้วพอ <c oughs> <c oughs> ก็เพว่าสักพักเค้าลุกขึ้นกราบมวยแล้วก็กู่ผลกิ่งเพชรแล้วก็โชกลง วันนึงผมโผล่เอ๊ะยังไงแต่ผมถึงแกดูพระ เด็กๆนะครับถ้ามันเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่าลืมนะครับว่าเด็กกลําเงินผู้เป็นเด็กเนี่ยก็คือรูปนามเข้าใจมั้ยคือ เออนี่เป็นบ้าสังเกตครับสังเกตสังเกตอยู่ดังนั้นพอเห็นพ่อแม่ทะเลาะมัน แต่เห็นเช้าเย็นในผ้าแม่หือห่าๆการไม่สํารวม เอาโลตินนึงครับโรยอยู่ในสระนึงปลาตายเลียบปลาใหญ่ปลาน้อยมันเนี่ยบอกโปรแกรมก็บอกเค้า จริงมั้ยครับเหมือนเค้าแกล้งทําว่าเค้าเมตตาสงสารแต่ในใจเค้าเกลียดเนี่ยไม่ช้าไม่นานน่ะกูจะ แล้วก็โน้มน้าวตัวเองให้คิดแต่ในทางที่ที่ดีๆเห็นพระกินข้าวเย็นเราอาจจะโกรธโมโหกับจะชก สมมุติว่าเห็นเนนกินข้าวเย็นผมก็เห็นเห็นเนนอืมนี่ขนาดเป็นเนนยังกิน วิธีเราเราเราจะมองในแง่ดีได้ซึ่งดีกว่ามองในแง่ร้ายแต่ถ้าดีที่สุดคือมองตามที่มันเป็นจริงฮะมองตามมันเป็นจริงผมเห็นเนเนี่ยผมผมไม่ได้คิดว่าเป็นอะไร ลีนมองพระสงฆ์บางทีเราเกณฑ์พระสงฆ์เกินไปนะฮะผมเคยเป็นนักบวชก็รู้ญาติโยมบางคนน่ะเหลือล้าจริงๆเกณฑ์พระจะให้หลุดพ้นตั้งแต่วันแรกบวชเลยถ้าไม่ได้ท่านเป็นพระท่านต้องบริสุทธิ์ท่าน ตัวเองเก๋งเมื่อไหร่กินเหล้าเมาค่อยๆสดชื่นขึ้นขึ้นเรื่องราว สมมุติมีคนขโมยกระเป๋าเงินมันเอ่อก็คล้ายพูดปลอบใจตัวเองแต่จริง ได้ผลจริงด้วยคืออย่างน้อยที่สุดเออดีละล่ะเราก็เรา ห่าคือยังไม่ได้ปฏิบัติว่า <c oughs> <c oughs> Thank you. คงน่าจริงๆครับคือมันจะแบบ ที่สวิสแลนด์กลับมาอยู่ทางแม่น้ําโขงคือสมมุติว่าสิ่งเถิดที่ทําๆสมมุติว่าผม แล้วเพียงแต่ตาเหลือบไปเห็นเสือสีแดงโดยไม่ตั้งใจนะครับผมอาจจะนึกถึงคนไป <c oughs> มาดูกันมาดูสิ่งนี้โดยโดยทั่วไปเนี่ยยิ่ง ไม่ไม่ใช่สีสมควรมองมองมองข้างหลังโนเอ๊ะเอ๊ะสมมุติว่ามันคือภาพนี้มาซ้อนนี่ภาพนี้แต่ไอ้สิ่งที่ฝังอยู่มันเลยปนกับไอ้ผมเลยเห็นเอ่อน้อง แล้วโดยโดยกระบวนการธรรมชาติมันจบสิ้นหรอกนะ สอนเข้าสอนเข้านี่มันยากเย้ายไม่ออกครับอะไรเป็นอะไรมันนั้นผมจึงเตือนแล้วเตือนราวน่ะมอง ทะเลาะกันที่จริงเนื่องจากขัดกับลูกน้องอารมณ์ที นี่ก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาร่วมสมัยทีเดียวเรามักจะโยงเรื่องหนึ่ง คือจิตใจของมนุษย์นึงก็ใครเป็นลูกฟุตบอลครับอารมณ์ แต่จริงๆนั้นถ้าในภาคปฏิบัตินะๆถ้าจริงๆแล้วกรรมวิธีในการ พื้นพื้นเผ่าของเราเองสําคัญสําคัญยิ่งซึ่งผมๆเนี่ยครูบาอาจารย์หลายๆคนแนะนําดีทั้งบางทีกรรมวิธีที่ดีเนี่ยไม่ไม่สําเร็จประโยชน์กับ แต่ก็เรื่องจริงมีอย่างนั้นก็เรื่องจริงมีอย่างนั้นสมมุติมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทิ้งสิคําพูดเท่านี้นะบางคนทําได้กับบางคนทําไม่ เรื่องเท่านี้จะไปเสียดายเสียดมเสียดายอะไรเพื่อนคนที่นั่งต่อ ทิ้งยังไงในเมื่อมันทิ้งไม่ออกนะฮะมันมันอยู่ๆเรารู้จริงๆด้วยนะครับเราพูดจากความๆด้วย แต่เจ้าตู่ฟังไม่ออก ที่ปัญหาของคนเรานะครับคือมันติดคิดครับสมมุติปัญหานะอย่างอย่างที่ท่านเป็นอันนี้ รถคันนั้นวิ่งหายหัวไปไหนแล้วเราไม่ได้รู้จักคนในรถด้วยนะแต่เรายังอายไม่หายเราถึงขนาดนั้นคิดครับ มีคราวนึงหมอหน่วยคนนึงเค้าสนใจทําไมว่าคุยดีกับผมบอกนี่ครับแต่แล้วเค้าเค้ากลับเพราะ <c oughs> แต่ว่ามันจะไม่หมดเมื่อเราคิดครับเราว่าคล้ายๆมียางๆนะครับที่ คือเราทิ้งช่วงช่วงหนึ่งจนกาวแห้งในตัวมันเองสิจริงๆเหมือนเราก็ว่าเรา แล้วแล้วตัวมันก็มีปัญหาอยู่ในตัวมันกันด้วยครับๆว่าเสาคอนกรีตต้นนึงเนี่ยมันหักโค่นผมวิ่งเข้าไปเอาบาตรยันมัน คือสติเนี่ยมันมันก็ละความไม่รู้สึกตัวหน้าที่ละความไม่รู้ตัวเท่านั้นครับ เมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดกำลังขึ้นนั้นดังนั้นสมาธิ มันข่มไว้เท่านั้นเองสมาธิเนี่ยยังไม่ได้ละครับมันจะเริ่มเห็นครับว่าอันไหนรูปอันไหนนามมันเห็นอันไหนกายอันไหนจิตมันรู้ครับมัน เราปกติเนี่ยเราไม่มีโทสะอยู่พอโทสะเข้ามามันเหมือนอะไรมันแย่เข้าใจมั้ยครับเหมือนร่างกายเราไม่คันต่อมามัน ที่ผมได้ยินท่านสอนว่าเมื่อราคะเกิดให้กําหนดรู้ว่าราคะเกิดผมผมคิดว่าถูก มันเกิดไว้ไว้ที่ตัวเองว่าเราต้องจําสภาพซึ่งไร้โทสะเออบางทีผมจับได้คือคือเราต้องจับความรู้สึก لما จะจําตัวนี้มันตัวโอ้ผมปฏิบัติผิดนานมากครับปฏิบัติผิดนานมากครับพอจริงๆผมไม่ได้แกล้งจุ่งจับครูบาอาจารย์นะพูดกันมากที่แน่โทสะเกิดโทสะ จำตัวโทสะจำตัวนี่หนักเลยทีนี้แต่ทีเกิดราคะขึ้นที่ มันมันมันหาดูนะโดนทําอะไรอะไรมันก็ๆมองพิมพ์แต่พอดีมันถึงนี่มันงงไม่ออก คือเป็นความรู้ๆก็ปัดทิ้งเลยดีกว่าอยู่รู้เลยสิ่งที่ท่านกําหนดรู้ได้วัน เนี่ยที่ทิ้งท่านดีขึ้นมากแล้วพอรู้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้เข้าไปหนักเลยเนี่ยไอ้มันรู้แล้วรู้ตัวแล้วใช่ นี่ทีละมันเป็นเศษนะครับแล้วน้ําข้าวมันจางไปเองไม่ต้องไปสนใจครับครับไม่ต้องไป วิ่งสุดแรงเกิดสุดแรงเกิดพอดิตกใจตื่นตื่นมาแล้วใจเต้นตบตองๆตั้งแต่ว่าท่านไม่ต้องทําอะไรกับมันนะเพราะว่าบัดนี้ทะลุแล้วว่ามันฝันไปเข้าใจมั้ยเออฝันไปแล้วนะแต่ว่าใจมันยังไม่หายนะที่บังคับ